9. มูลายะอวิสุทธินวกะว่าด้วยความไม่หมดจดจากอาบัติเดิม9ก้ากรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศตหลายตัวมีจํานวนนับได้บ้างมีจํานวนนับไม่ได้บ้างมีชื่ อ, อย่างเดียวกันบ้างมีชื่อต่างกันบ้าง เป็นสภาฆะกันบ้างไม่เป็นสภาฆะกันบ้างกําหนดได้บ้างกระจายไปบ้างภิกษุนั้นขอสมโมธานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงให้สมโมธานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาทิเศตหลายตัวในระหว่างมีจํานวนนับได้ ไม่ได้ปิดไว้จึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสงส่งชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบรรมไม่ํำเริกบควรแก่ฐานะให้สมุทานปริวาสโดยชอบรมให้มานัดโดยไม่ชอบรมอัพานโดยไม่ชอบรมภิกษุทั้งหลาย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 กระจายไปบ้างภิกษุนั้นขอสมุทานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงให้สมุทานปริวาสเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่พิกษุนั้นเมื่อพิกษุนั้นกาลังอยู่ปริวาท ต, ต้องอาบัตสังฆาที่เศษหลายตัวในระหว่างมีจานวนนับได้ปิดไว้จึงขอการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างกับสง สงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหว่างด้วยกรรมที่ชอบทำรรไม่กําเริบควรแก่ฐานะให้สมทานปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยไม่ชอบธรรมอัพธานโดยไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นยังไม่หมดจดจากอาบัตเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง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 ด้วยกรรมที่ชอบธรรมไม่กำเริบควรแก่ฐานะให้สโมทานปริวาสโดยชอบธรรมให้มานัดโดยไม่ชอบธรรมอับพานโดยไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นยังไม่หมดจดจากอาบัติเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัว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 มีชื่ อ, อย่างเดียวกันบ้างมีชื่อต่างกันบ้างเป็นสภาคะกันบ้างไม่เป็นสภาคะกันบ้างกาหนดได้บ้างกระจายไปบ้างพิกษุนั้นขอสมุทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นกับสงฆ์สงฆ์ให้สมุทานปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นแก่ภิกษุนั้นเมื่อพิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาท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 มีจํานวนนับไม่ได้บ้างไม่ได้ปิดไว้จึงของการชักเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัตในระหวา่างกับสงสงชักภิกษุนั้นเข้าหาอาบัตเดิมเพื่ออาบัติในระหวา่างด้วยกรรมที่ชอบธ ร, รมไม่กำเริบควรแก่ฐานะให้สมทานปริวาทโดยชอบธรรมให้มานัดโดยไม่ชอบธรรมอับพานโดยไม่ชอบธรรม ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นยังไม่หมดจดจากอาบัตเหล่านั้น